กจลันพอรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลือ่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านตานั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละบาป มาชำระใจให้สะาดเพราะเชื่อว่าการทาบุญละบาปการชลาะใจให้สาดโดยสุวเป็นเหตุที่จะนบมาซึ่งความสุขและความจเจริญที่แท้จริงที่ถาวรเป็นเหตุที่จะดับความทุกข์ท้งหลาย ที่มีในใจให้หมดไปเป็นเหตุที่จะตัดภพตัดชาติยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติมาแล้วท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรแล้วท่านได้ยุติ การเวียนไหวตายเกิดได้แล้วท่านได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจได้หมดแล้วท่านจึงได้นำวิธีการปฏิบัติคือการทำบุญลกบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์มาเผยแป่สักสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ฟังแล้ว เกิดศรัทธาก็จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติด้วยความเค้่งครัดด้วยความภาคเพียรด้วยความอดทนไม่นานก็จะได้บรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุกันเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมายับยั้ง ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อผู้ที่มีวิริยะความอุสาหะความภาคเพียรผู้ที่มีขันติความอดทนจะสามารถบรรลุ ถ, ถึงผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาโลกทั้งหลายได้บรรลุ ถ, ถึงอย่างแน่นอนพวกเราที่มีศรัทธาก็ถือว่า เราได้เริ่มเดินทางไปในทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งดำเนินไปแล้วขั้นที่สองเราต้องมีความภาคเพียรเราต้องหมั่นทำตามคาสอนอยู่เรื่อยๆทำเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยจากน้อยไปหามากจนถึงมากที่สุดแล้วผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตอนนี้เราเริ่มทำบุญกันขั้นต่อไปเราก็พยายามทำให้มากขึ้นแล้วพยายามป้องกันไม่ให้การทำบุญของเราลดน้อยลงไปแล้วเราก็มาละบาปกันละบาปแล้วก็พยายามป้องกันไม่ให้บาปที่เราได้ละแล้วกลับคืนมาอีก แล้วเราก็มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำจากเวลาเล็กเวลาน้อยไปก่อนการทำใจให้บริสุทธิ์ก็คือการาเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนานั่นเองทำใจให้สงบแล้วก็ทำใจให้ฉลาดถ้าใจสงบใจฉลาดใจก็จะไม่หลง ใจก็จะสามารถกำจัดสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองคือความโลภความโกรธความอยากต่างๆได้นี่คืองานที่พระพุทธเจ้าส่งลอบให้พวกเราทำกันเพราะเป็นงานที่แท้จริงของพวกเรางานอย่างอื่นที่พวกเราทำกันนี้ไม่ใช่เป็นงานที่แท้จริงเป็นงานชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราว แล้วก็มีความทุกข์มาให้ต้องมาเศร้าโศกเสียใจอยู่เรื่อยๆมีปัญหามาคอยให้แก้อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าไม่ใช่เป็นงานที่จะดับปัญหาดับความทุกข์ไม่ใช่เป็นงานที่จะสร้างความสุขที่ถาวรนั่นเองพวกเราจึงอย่าไปหลงกับการทำงานเพื่อหาลาภยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากจนลืมถึงงานที่เราควรจะทำอย่างแท้จริง mm hmm. ก็คืองานทำงานทาบุญงานละบาปงานชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าจะเป็นผลที่เลิกที่ปเปิดและเป็นผลของใจที่ใจจะ สามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ดับไปแล้วตายไปแล้วส่วนลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราได้จากการมีร่างกายก็จะต้องหมดไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วหาเงินได้เป็นร้อยล้านพันล้านหรือแสนล้านเวลาตายไป เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแต่บุญกุศลความสุขความเจริญของจิตใจนี้เราเอาไปได้หมดเลยเพราะมันอยู่ที่ใจณใจก็ไม่มีวันตายทําอะไรไว้ในใจมันก็จะอยู่ติดไปกับใจทําบาปมันก็จะมีบาปติดไปกับใจทําบุญมันก็จะมีบุญติดไปกับใจ ทำบุญก็จะมีแต่ความสุขความเจริญทำบาปก็จะมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเสียชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะไม่ต้องเีนยนอเวยตายเกิดอีกต่อไปนี่เป็นงานที่เราควรจะทำกันเพราะเราจะไม่ขาดทุนนั่นเองมีแต่จะได้กำไรทำได้เท่าไหร่ก็จะเก็บได้ไว้ได้ทั้งหมดเลย ไม่เหมือนกับงานทางราบยศเสริญงานทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทําไปแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็หายไปเราไม่สามารถที่จะเก็บเอาไว้ไปกับเราได้ในขณะที่เราจากโลกนี้ไปจึงให้ควรให้ความสําคัญต่องานที่จะ เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราสมบัติของเราก็คือทรัพย์ภายในที่เรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่เกิดจากการทำบุญละบาปเกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์งานอย่างอื่นไม่สามารถที่จะสร้างอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมาได้อย่างนั้น เราอย่าไปเสียเวลากับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นการเดินเข้าหาความทุกข์มากกว่าเดินเข้าหาความสุขความสุขที่ได้เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ติดมากับความสุขเพียงเล็กน้อยนี้เป็นความทุกข์ที่ใหญ่โตมากเวลาทุกข์แล้ว จะถึงกับไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยหรือถ้ามีความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธมากๆก็จะคิดทำร้ายพูดถ้าทำร้ายพูดแล้วก็ต้องไปใช้กรรมในอบ า, ายต่อไปต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกเนื่องจากที่ไปทำบา บาปก็ทำเพราะว่าเกิดความโกรธเกิดความเสียใจที่สูญเสียสิ่งที่ตนรักไปสิ่งที่ตนรักก็คือลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลถะนั่นเองไม่ได้เป็นอะไรเพราะความหลงมองไม่เห็นว่ารูปเสียงกลิ่ น, นรสผลพะลาบยศสารเสริญเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง คำว่านิจจังก็คือไม่แน่นอนไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยแล้วก็มีการเกิดแล้วก็มีการดับไปถ้าหลงลักสิ่งที่มีการเกิดมีการดับสิ่งที่มีการเปลี่ยนไปเวลาเขาดับไปหรือเวลาเขาเปลี่ยนไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นคนที่เราเคยรักเขาไม่รักเราแล้วเขาไม่อยากจะอยู่กับเราแล้วตอนนั้นจะเกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างมากถ้าเรายังอยากให้เขารักเรายังอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไป <c oughs> แต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่ไปสั่งมันได้ไปควบคุมบังคับมันได้ เราไปสั่งใจของคนอื่นให้เขารักเราให้เขาดีกับเราไปอย่างสม่ำเสมอไม่ได้บางวันเขาอารมณ์ดีเขาก็รักเราบางวันเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็เกลียดเราถ้าเราหลงไปมีความอยากให้เขารักเราทุกวันทุกเวลาเราก็จะต้องทุกข์ใจเสียใจ และถ้าเสียใจมากๆทุกข์ใจมากๆเราก็อาจจะทำร้ายทาลายสิ่งที่เรารักก็ได้บุคคลที่เรารักก็ได้เพราะอำนาจของความโกรธของความเสียใจนี้มันจะทำให้เราต้องไปทำในสิ่งที่เราต้องมาเสียอกเสียใจทีหลังแต่ถ้าทำไปแล้วก็ ต้องไปรับใช้กรรมต่อไปไม่ว่าจะเสียใจหรือไม่เสียใจก็ตามไม่ว่าจะสารภาพบาปนี่ไม่สารภาพบาปก็ตามเมื่อทำไปแล้วก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมต่อไปเพียงแต่ว่าถ้าเราสารภาพมันก็จะทําให้เราในอนาคตไม่กล้าทาบาปอีก การสารภาพนี้ก็เป็นเหมือนการสำนึกผิดยอมรับผิดว่าการกระทำบาปนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยแล้วก็จะไม่ทำอีกต่อไปคนที่ไม่สารภาพบาปนี้ก็ยังคิดว่าตนเองถูกทำเขาแล้วก็อ้างเหตุผลว่าที่ทำถูกก็เพราะว่าเขาไม่รักเราเขานอกใจเรา เขาเปลี่ยนใจเรามีสิทธิ์ที่จะทำลายเขาได้ฆ่าเขาได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็จะต้องกลับไปทำบาปแบบนี้อีกในอนาคตหลังจากที่กลับมาเกิดใหม่พอมาเจอปัญหาแบบเดียวกันก็จะแก้ปัญหาแบบเดียวกันซ้าแล้วซ้าอีกเพราะไม่มีความสำนึกผิดในบาป ท, ที่ตนเองทำนั่นเอง อย่างนั้นถ้าเราทำบาปไปแล้วอย่าหาข้ออ้างอย่าแก้ตัวไม่ว่าจะมีข้ออ้างดีขนาดไหนก็ตามการทำบาปก็เป็นการทำบาปอยู่ดีนั่นแหละไม่มีการทำให้การทำบาปกลายเป็นการทำบุญไปได้เช่นเราเห็นใครเขาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมาน เราก็เลยช่วยให้เขาตายเร็วขึ้นอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้เขาทรมานน้อยลงอย่างนี้ก็เป็นการทำบาปถึงแม้ว่าจะมีเจตนาคิดว่าช่วยให้เขาได้พ้นจากความเจ็บปวดทรมานต่างๆอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปทำอย่างนั้นการไปฆ่าผู้อื่นด้วยการมีความปรารถนาดี เพื่อให้เขาได้พ้นทุกข์เร็วขึ้นนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีแล้วก็ไม่ได้ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่อย่างใดเขาตายไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่ดีถ้าเราอยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์เราต้องช่วยแบบที่พระพุทธเจ้าได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายคือเราต้องช่วยสอนให้เขาทำบุญสอนให้เขาราักบาศสอนให้เขาชาระใจให้สะอาดบริสุทธ ไม่ให้มีความโกรธความโลภความอยากต่างๆถ้าเขาทําได้เขาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่การไปช่วยทําให้เขาตายเร็วขึ้นนี้ไม่ได้ไปแก้ตัญหาของเขาแล้วก็จะทําให้ใจของเรานี้เป็นใจที่โหดเหี้ยมแทนที่จะเป็นใจที่มีความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาที่แท้จริง จะไม่ฆ่าผู้จะไม่ทําลายชีวิตของผู้ไม่ว่าเขาจะทุกข์ทรมานมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเช่นพระพุทธเจ้าเวลาท่านไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะสอนธรรมะสอนให้เขาทําใจให้สงบสอนให้เขาปล่อยวางร่างกายปล่อยวางความเจ็บปวดของร่างกาย ถ้าเขาทําได้เขาก็จะไม่ทรมานกับความเจ็บของร่างกายกับความตายของร่างกายเขากลับจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ต, ต้องช่วยแบบนี้ต้องช่วยด้วยการทําให้จิตใจของเขาสงบเพราะผู้ที่ทุกข์นั้นไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บ เขาไม่รู้ว่าเขาวก็จะตายผู้ที่รู้ก็คือใจแต่ผู้รู้นี้ไม่ตายไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่ความหลงทําให้คิดว่าตนเองเป็นร่างกายพอร่างกายเจ็บก็คิดว่าเจ็บไปกับร่างกายด้วยเวลาร่างกายตายก็คิดว่าจะตายไปกับร่างกายด้วย พะเกิดความหลงความคิดผิดแบบนี้ก็ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บอยากให้ความเจ็บหายไปพอเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาความทุกข์ทรมานใจไม่ได้เกิดจากความเจ็บของร่างกายไม่ได้เกิดจากความตายของร่างกายแต่เกิดจากความอยาก ไม่เจ็บเกิดจากความอยากไม่ตายนี่คือปัญหาที่เราต้องแก้ต้องมาแก้ที่ความอยากเพราะว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ความทรมานใจอย่าไปฆ่าร่างกายหรืออย่าไปพยายามประครับประคองร่างกายให้มันอยู่ไปนานๆถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไป การที่จะยืมมันไว้ก็เป็นทุกข์อีกอย่างหนึง่งการที่จะทําให้มันตายก่อนไว้ก่อนเวลาก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งเพราะเกิดจากความอยากอยากให้ตายเร็วๆก็เป็นทุกข์ได้ถ้ายัางไม่ตายอยากให้อยู่ไปนานๆแต่มันจะตายอย่างนี้มันก็ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําใจอยู่ตรงกลาง ร, ระหว่างความอยากอยู่ กับความอยากตายถ้ามันอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปจะอยู่แบบไหนก็ปล่อยมันอยู่ไปอยู่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปอย่าไปอยากให้มันตายเพราะอยากแล้วจะเกิดความทรมานใจขึ้นมาถ้าเวลามันจะตายมันจะหยุดหายใจก็จะไปเดี๋ยวร่างมันไว้ก็ปล่อยมันหยุดหายใจไป อย่าไปอยากอยู่ความอยากอยู่กับความอยากตายนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราทําใจให้เฉยเฉยไม่เกิดความอยากอ ย, กอยู่ลรือเกิดความอยากตายเราจะอยู่อย่างสบายไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรร่างกายเจ็บไข้ได้ป่ว ย, วยก็สบายใจร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่ว ย, วยก็สบายใจ ร่างกายจะตายก็สบายใจเพราะใจไม่ได้ผลิตความทุกข์ขึ้นมานั่นเองใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจไปทุกข์กับร่างกายทำไมนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้แล้วนามาสั่งสอนพวกเราให้พวกเรามาสอนใจเพื่อเราจะได้ชาระความอยาก ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนี้หมดไปจากใจนี่คือวิธีชำระใจต้องชำระด้วยความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เกิดจากร่างกายไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เกิดจากบุคคลต่างๆแต่เกิดจากใจเกิดจากความอยากของใจเอง ที่เวลาไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วเกิดความอยากขึ้นมาเช่นเวลาเกิดความร้อนอากาศร้อนก็เกิดความอยากให้อากาศเย็นอย่างนี้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะรู้สึกทรมานใจกับความร้อนแต่ถ้าเราไม่เกิดความอยากร้อนก็ร้อนไปอย่างฝรั่งนี่้องกับชอบความร้อน เวลาแดดออกเขาไปนอนอาบแดดกลางแดดได้อย่างมีความสุขเพราะเขาไม่ได้อยากให้ความร้อนหมดไปเขาชอบความร้อนเขาอยากให้อยู่กับความร้อนไปนานๆาพอเขาได้อยู่กับความร้อนเขาก็มีความสุขใจความสุขใจความทุกข์ใจมันไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศมันไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจะเจริญก็ตามหรือจะเสื่อมก็ตามถ้าเราไม่ได้มีความอยากให้เจริญเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้เสื่อมเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเกิดเหตุการณ์เกิดการเสื่อมขึ้นมาเวลาไม่เจริญเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากให้เจริญแต่ถ้าเรามีความอยากให้เจริญแล้วไม่เจริญ เราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้ทงๆ ท, ที่เราไม่ได้เสียอะไรไปเลย mm. เช่นเราอยากได้อะไรอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ได้เราก็เสียใจละทั้งๆ ท, ที่เราก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราไม่ได้ไม่เสียอะไรแต่เรากลับมาเสียใจเพียงเพราะว่าเราอยากได้แล้วเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้นี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองทาให้ใจเราไม่สะอาด ก็คือความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาชำระความอยากกันการที่เราจะชำระความอยากได้เราต้องรู้ความจริงรู้ว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและสิ่งที่เราอยากก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเราได้เวลาเราไม่สบายใจเราก็อยากไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ พอไปทำแล้วกลับมาเราก็ยังไม่สบายใจเหมือนเดิมอยู่เพราะเราไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงอยู่ ท, ที่ความอยากของเราถ้าเราไม่สบายใจเพราะเราอยากให้เขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่อยู่กับเราก็เราเพียงเปลี่ยนใจเราท่านอนวงว่าไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไม่อยากให้อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ alter. พอเราเปลี่ยนใจไม่อยากให้เขาอยู่แล้ว เวลาเขาไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าเรายังอยากให้เขาอยู่เวลาเขาไปเราจะเสีย อ, อกเสียใจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความอยากนี้เองไม่ได้อยู่ที่การไปหรือการอยู่ของผู้อื่นผู้อื่นเวลาเขาอยู่เราก็อาจจะเสียใจไม่สบายใจก็ได้ถ้าเราอยากให้เขาไปแล้วเขาไม่ไปทุกอย่างอยู่ที่ความอยาก ไม่ได้อยู่ที่การอยู่หรือไม่อยู่เขาอยู่ถ้าเ้าเราอยากให้เขาไปเราก็ทุกข์ใจเขาไปถ้าเราอยากให้เขาอยู่เราก็ทุกข์ใจเหมือนกันแต่ถ้าเขาไปแล้วเราอยากให้เขาไปเราก็จะสุขใจสบายใจถ้าเขาอยู่แล้วเราอยากให้เขาอยู่เราก็จะสุขใจแต่ทางที่ดีอยากไปอยากดีกว่าเพราะเดี๋ยวเกิดเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาพอก็อยู่เราก็ดีใจ เดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนใจเขาอยากจะไปเขาจะไปขึ้นมาแล้วเรายังอยากให้เขาอยู่เราก็จะทุกข์ใจขึ้นมาทางที่ดีต้องทําใจให้เป็นกลางทําใจให้เฉยเฉยอย่าไปอยากให้เขาอยู่อย่าไปอยากให้เขาไปแล้วเขาจะอยู่เขาจะไปก็จะไม่ทําให้เราทุกข์ใจแต่อย่างใดร่างกายเราก็เหมือนกันเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไป เขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บเขาไม่เจ็บก็ปล่อยเขาไม่เจ็บไปเราอยู่เฉยๆเราเป็นผู้รู้เราไม่ใช่เป็นผู้สั่งการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ใช่เป็นผู้ควรจะมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะความอยากจะสร้างความทุกข์ใจให้แกเราโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร ความอยากของเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความจริงได้เช่นอยากไม่ให้ร่างกายแก่ก็ไม่สามารถไปห้ามหรือไปเปลี่ยนไม่ให้ร่างกายแก่ได้อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้ร่างกายตายเราก็ไม่สามารถไปห้ามไม่ให้ร่างกายตายได้ ยุดไม่ให้ร่างกายตายได้ความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอเราจึงอย่าไปมีความอยากที่ฝืนกว่าความจริงความจริงเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับมันอยู่กับมันไปเท่านั้นเองคนจะด่าเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราอยากไม่ให้เขาด่าเราเราก็จะเสียใจเราก็จะทุกข์ใจเวลาเขาดา่าก็เฉยๆไว้อย่าไปอยากมะ ไม่ให้เขาด่าเวลาเขาชมก็อย่าไปอยากให้เขาชมมากๆชมไปนานๆเพราะเขาบางวันเขาอาจจะชมเราบางวันเขาก็อาจจะไม่ชมเราได้ถ้าเราทำใจให้เฉยๆชมก็ได้ด่าก็ได้เราก็จะไม่มีวันที่จะต้องเสียใจทุกใจปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากต่างๆนี้เองเราต้องมาแก้ความอยาก เวลาเราไม่สบายใจขอให้เราสำรวจดูว่าตอนนี้เราอยากกับอะไรเราไม่สบายใจเพราะอะไรไม่สบายใจเพราะคนนั้นหรือเพราะเรื่องนั้นหรือเพราะเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หรือถ้าเราเห็นว่าเป็นความอยากของเราเราก็มาแก้ที่ความอยากของเรายอมรับเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำไปเราก็จะไม่ทูก แต่ถ้าเราจะไปแก้ที่เขาพยายามบังคับให้เขาทำตามที่เราอยากเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องไปทำร้ายเขาต้องไปมีเรื่องมีราวกับเขาเพราะถ้าเขาไม่ยอมทาตามที่เราต้องการเราก็จะโกรธเขาแล้วเราก็อาจจะทำร้ายเขาหรือด่าเขาเขาก็จะด่าเราเขาก็จะทำร้ายเรานี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือความอยากต้นเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราทุกข์ใจคือความอยากอย่าไปแก้คนนั้นคนนี้อยากไปแก้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เพราะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้ก็แก้เป็นการแก้ชั่วคราวเดี๋ยววันหน้าก็ต้องแก้อยู่เรื่อยๆพอเวลาแก้ไม่ได้ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็จะต้องไปทําบาปทำำํากรรมกันนี่คือ เรื่องของพวกเราวิธีที่จะทำให้พวกเรานั้นอยู่อย่างไม่มีความทุกวิธีที่ทำให้พวกเราอยู่อย่างมีความสุขวิธีที่จะทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไปก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันนั้นเองก็คือให้เราทำบุญละบา แล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำไปเถิดรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจความสุขที่เราเรียกว่าบรมสุขบรลมังสุขขันนี้เองจะเป็นของเราไปตลอด อนันตการไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละบาสมาชำระใจให้สะอาดด้วยความศรัทธาความเชื่อด้วยวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรด้วยขันติความอดทนให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ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 โดยทั่วหน้าการเธอ